ดูข้อ4อ่านข้อ4ปาธมาวิพัตในอัตวิกติกตาลิงคัคถานั่นแหละําหน้าที่ขยายประธานอยู่วิยาว่ามีเป็นมีบุงรุษและวาจนะตรงกับประธานและกีริยาหนึ่งโกพุทโทโหติ 2. สิทธัตถโผทโทโหติ 3. ทานกะกาสามเณรกาหนติ 4. ตวงอาวุโสกิงนามอสิ 5. าอหังพันเตพุทธังรักขิโตนามะอัมหิหตุมเหพันเตกิงนามอาอัฐาเจ มะยังอาวุโสสมนานามะอัมหะแปดจันทนังตะข้างรังวาปิอุปาลังอธาวาสิกีเตเตสังคันธชาตานังศีลคันโทอนุ ต, ตังโรข้อสี่นี้ยังอยู่ในปฐมาวิพัตน์แต่ว่าท่านใช้ในอัดว่าวิกติกตา มีคำว่ากัตตาด้วยคําที่เพิ่มมาก็คือคําว่าวิกติวิกติตัวนี้วิแปลว่าพิเศษกติแปล ว, ว, ว่าทำวิกติแปลว่าทําให้พิเศษวิกติกตตาขยายตัวประธานเนี่ยให้พิเศษขึ้นไปขยายตัวกัตตานั่นเองขยายตัวกัตตาให้พิเศษขึ้นอีกลักษณะคล้ายๆ ก, กันกับตัววิเศษณ์ขยาย แต่ว่าตัววิกติกตรานี้มีตำแหน่งแตกต่างจากวิเศษนะก็คือว่าไปตั้งอยู่หน้ากริยามีเป็นกริยาสามัญยกิริยาที่แปลว่ามีว่าเป็นแล้วมีปัมาวิพัตที่มีวิพัตและวาจะนะตรงกับตัวกัตตาตรงกับกิริยาวางอยู่หน้ากิริยาว่ามีว่าเป็นตัวนั้นแหละจะเป็นตัววิคติกตาในที่นี้แม้เรายังไม่แปลก็อลองดูซิว่าตัวไหนมันตรงกับทั้ง ประธานตรงทั้งกับขีญาและอยู่หน้ากริออยาว่ามีว่าเป็นด้วยพุทโธเพระโหตินี้แปลว่าย่อมมีว่าย่อมเป็นพุทโธตัวนี้ยเป็นวิกติกตาสามเณรยงราเป็นวิกติกตากิงนาโมเป็นวิกติกตาพุทธรขีโตนามะเป็นวิกติกตากิงนามาเป็นวิกติกตาสัมนานามะเป็นวิกติกตาอนุตตังโรในคาถาเป็นวิกติกตา ขีดเส้นใต้เอาไว้พุทโธสองพุทโธสามเนงรากิงนามโมพุทธังรักขีโตกิงนามาสามนาส่วนนามะศัพน์นั้นเป็นนิบาตในคาถาอนุตังโกรเพราะกิริยาที่ใช้ในตัวอย่างชุดนี้แปลว่ามีว่าเป็นทั้งนั้นเลยดังนั้นตัวไหนที่มีวิพัตเดียวกับประธาน ล้อยู่หน้าคียาว่ามีว่าเป็นตัวนั้นเป็นวิกติคตาทั้งหมดแปลว่าย่อมมีย่อมเป็นจะมีจะเป็นมีอยู่เป็นอยู่วัฏฏมนาวิพัตแล้วธาตุธาตุต้องแปลว่ามีว่าเป็นอืมย่อมมีย่อมแปลว่ามีว่าเป็นจะย่อมก็ได้คือย่อมนี่ยกตัวอย่างวัฏฏมนาแปลว่าย่อมใช่ไหมถ้าปันจะมีก็จงมีจงเป็นสัตตมีก็พึงมีพึงเป็นอาชานี้ก็มีแล้วเป็นแล้วก็คือพูดง่ายว่าแปลว่ามีว่าเป็นแล้วแต่ว่าลงวิพัตหมวดไหน ยกตัวอย่างว่าโหตินั่นก็แปลว่าย่อมมีย่อมเป็นวัตมานาอนดูนะตัวอย่างข้อหนึ่งโกพุทโโหติโกเป็นประธานโกแปลว่าใครพุทโโหติเป็นพระพุทธเจ้าใครเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นใครถ้าพระพุทธเจ้าเป็นใครก็ต้องพุทโธโกโหติต้องเอาโกนย้ายมาอยู่หน้ากิริยาเพราะตัวไหนอยู่หน้ากริยาไง มีบุตรไว่นะนตรงกับกิจยาและอยู่หน้ากิจยาว่ามีว่าเป็นส่วนโกนั้นไปนอยู่หน้าพุทธโธก็ไม่ใช่เป็นวิคติกาตาโกใครพุทโธโหติเป็นพระพุทธเจ้าสิทธัตโถพุทโธโหติสิทธโถแปลวะ่าเจ้าชายสิทธัตถะพุทโธโหติเป็นพระพุทธเจ้าทางรักาสามเณรราโหนติเป็นผู้หูพโยทางรักาเด็กทั้งหลาย เด็กทั้งหลายเด็กชายทั้งหลายสามเณรราหนติเป็นสามเณระเนะ <pam Tyler. S 1> ตัวอยู่หน้าวิกติกัตตาไอตัวอยู่หน้ากริยาเป็นวิกติกาตตาไม่ต้องแปลว่าทั้งหลายเพราะขยายประธานไม่ต้องแปลว่าทั้งหลายอีกเป็นมหูพจน์ก็ไม่ต้องแปลว่าทั้งหลายอีกทั้งหลายเฉพาะประธาน <fat> ไม่มีเหล่านั้นเด็กชายทั้งหลายเฉยๆทางกาเด็กชายทั้งหลายสามเณรราหนติเป็นสามเณร เด็กหญิงก็เป็นสามเณรกรีถ้าเด็กหญิงก็ทางริกาทางริกาโยถ้าเด็กหญิงทั้งหลายอะทางระ ก, กะเด็กชายทางริกาเด็กหญิงข้อสี่ตะวังอาวุโสกิงนาโมอสิเป็นประโยคสนทนานะอาวุโสดูก่อนผู้มีอายุดูก่อนผู้มีอายุายตะวังตวังท่าน กิ่งนาโมอะสิมีชื่อว่าอย่างไรมีชื่อว่าอะไรกิงแปลว่าอะไรนาโมแปลว่าชื่ออะสิแปลว่ามีมีชื่ออะไรอาวุโสดูก่อนผู้มีอายุตวังท่านท่านอแล้วก็กิงนาโมอะสิชื่อมีชื่อว่าอะไรมีชื่ออะไรอะสิแปลว่าย่อมมีว่ามันย่อมเป็นต้องแปลว่ามีเข้าไปด้วย เพราะอ า, อาวุโสเป็นอารมธนาตะวังเป็นประธานอย่าไปแปรปรวมกันว่าท่านผู้มีอายุไม่ได้อาวุโสเป็นคําเรียกก่อนท่านก็ตะวัง <Okay. S 1> ก็แปลว่า ผ, ผู้อาวุโสท่านชื่อว่าอะไรจะไม่ใช่คําว่าท่านผู้อาวุโสชื่ออะไรไม่ใช่ผู้มีอายุท่านชื่อว่าอะไรผู้มีอา ย, ทาอาออายุท่านมีชื่อว่าอะไร ดังนั้นเวลาเราเจอกันถ้าอยากรู้ชื่อกันก็เนี่ยถามเลยถามผู้ชายนะว่ากนะิงนาโมนะถ้าถามผู้หญิงต้องกิงนามานะถ้าจะถามผู้หญิงถ้าใครก็ตามไปถามผู้หญิงก็ต้องถามว่ากิงนามาสิกิงนามาอสิชื่ออะไรมีชื่ออะไรไม่ต้องใส่ตะวังไม่ต้องใส่อาวุโสก็ได้ถามสั้นว่ากิงนามาอสิถ้าเข้าสนธิ ถ้าเข้าสนทีก็จะเป็นกิงนามาซิดังนั้นนักบาลีสมัยใหม่ก็เลยไปเรียนเสียงภาษาเกี่ยวกิกิงนามาซิอะไรอย่างเงี้ยเป็นคำถามกิงนามอซีกิงนามาซเอาเวลาเวลาสวดกรรมวาจาอุปสมบทพระบวชพระเนะี่ยท่านจะถามถึงอันตรายิกธรรมท่านจะถามว่าปุริโสซิ เป็นบุรุษหรือเปล่าถามไปเรื่อยถามสิบสามข้อถามสิบสามข้อถ้าถามว่าไม่ไม่ต้องโทษก็ถือว่าให้บวชได้ถ้าต้องโทษก็ยกเว้นไม่บวชต่อให้บวชไม่ได้ถ้าถามผู้ชายก็ให้ถามว่ากิงนาโมสิถามผู้หญิงว่ากิงนามาสิทีนี้พอถูกถามแล้วคำคำถามมันอยู่ข้างล่างน่ยใช่หม คำถามคำตอบอยู่ข้างล่างดูนะอาหารพันเตถ้าเขาถามว่าอาุโศเราก็ต้องตอบเพราะว่าพันเตเพราะเขาเรียกว่าอาุโศได้สแสดงว่าเขามองว่าเราอายุน้อยกว่าเขาอย่าบางคนเห็นไม่รู้ว่าอายุมากหรือน้อยกว่าก็เรียกว่าพี่พี่พอไปถามอายุอ่าน้องเหล่านี่นาอันนี้เหมือนกันถ้าอยากจะเรียกให้เขาสบายใจน้องน้องน้องน้องเชื่ออะไรอะ่ะนะพอหันมาอ่าวน้องอะไรฟันหลุดหมดแล้ว ถ้าเขาตอบถ้าก็ถามว่ากิงนาโมสิแล้วก็ตอบสั้นๆว่าสมมติว่าชื่อถาปนันโทแล้วก็ถามเราก็ตอบว่าถาปนันโทถาปนันโทถาตอกสั้นๆแค่นี้ถ้าจะใส่กิริยาด้วยกันเนี่ยใส่อัมหิหรืออัสมิบอกว่าถาปนันโทสมิถาปนันโทมหิถาปนันโทอัมหิมีชื่อว่าถาปนันทะ ถ้าเขาใช้อารับนะเราก็ต้องตอบอารับนะด้วยนะถ้าเขาเรียกว่าอาวุโสเราก็ต้องตอบคืนถ้าดูแลก่อนประเรานี่นาเนี่ยมาเรียกเราอาวุโสได้ไงแล้วก็อาวุโสคืนก็บอกว่าอาวุโสถาปนันโทโมอมัมมหิหรือจะตอบเต็มๆว่าอาหางอาวุโสถาปนันโทนามะอัมหิในที่นี้ยกตัวอย่างว่าชื่อว่าพุทธังรักขิตบาลีก็พุทธรักิโตเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้ารัก ธรรมรักขิโตก็เป็นผู้ที่ทรรรักสังฆรักขีโตก็เป็นผู้ที่พระสงฆ์รักในพุทธรักขิโตเนี่ยก็แปลว่าผู้ที่ผู้เจ้ารักคำว่ารักในนี้ไม่ใช่ชอบนะหมายถึงรักษาดูแลคุ้มครองอืมรักขีตะรักษารักษานี่ยนะครักเอาเดี๋ยวทีนี้อาตมาจะรู้แล้วจรีงว่าใครชื่ออะไรถามวันนี้ก่อนถามวันนี้ก่อนถ้าถามผู้หญิงก็กิงนามาอสิ กิงนามาสิเอาแล้วก็ตอบชื่อแล้วสมมติว่าชื่อสิริประภาเราก็ตอบว่าอาหางสิริปรภานามะถ้าถ้าผู้ใหญ่ถามแล้วก็พันเตอาหางพันเตะสิริประภานามะสิริประภานามะอัมหิเราพูดกับผู้ใหญ่อาหารพันเตก็ต้องว่าว่าเรารู้อยู่แล้วว่าอาจารย์ก็ต้องใช้พันเตอัมหิข้าพเจ้าเป็นเอาย้อนคื้นไปดูกิริยาหน่อย เปิดไปดูหน้าหกอ่าเปิดหน้าหกย้อนคืนไปหน้าหกข้างล่างข้อสองอ่โะโศภวติโหติอัธิเตภวันติโหติสันติตวังภาวสีโหสีอาสิตัวใดตัวหนึ่งอ่ะนะตุมเหห์ภาวะถโหถาอาาัฐะอาหางภวามิโหมิอัมหิหรืออัสมิมายังก็เป็นภาวมะโหมะอัมหังหรืออัสมะหมายคำพวกเนี้ยคำพวกเนี้ยต้องบอกโสก็ต้องติ ภาวัติหรืออัติถ้าตวังก็ต้องเป็นอาศิเห็นไหมอาศิเพาว่สี่โหสี่อาศิคําใดคําหนึ่งใช้ได้ตุ้มเหงือกเพราว่าถาโหถาอัถะอาหารภาวามิโหมิอัมหิหรืออัสมิคําคําไหนก็ใช้ได้ในจํานวนกิย์ยาเหล่าเนี้ยเอาไปใช้ได้เดี๋ยวจะลองถามดูตอบได้ไหมเอาบอกชื่อบาลีสิถามเป็นบาลีก็าต้องตอบเป็นชื่อบาลีเดี๋ยวถามพักก่อนนะ ตวังอวุโสกิงนาโมสิหรือไม่ก็เป็นนามัมหิอืมสนธิเป็นสนธิเราเรียนสนธิมาแล้วเราใช้สนธิให้เต็มที่ไปเลยนอกจากว่าสนธิแล้วมันไม่รู้ว่าคืออะไรก็ไม่ต้องสนธินามัมหิตตวังอาวุโสกิงนาโมสิได้ใส่นามะก็ได้ไม่ใส่ก็ได้หรือใส่ไม่ใส่อัมหิก็ได้แค่ทาปโนทาปนันโทนามะพันเตอย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องอะขังอีกแล้วก็ได้ โพก็คือผู้ชายผู้ชายเนี่ยโพแปลว่าท่านผู้จเจริญเป็นผู้ชายถ้าโพติก็เธอผู้จเจริญเป็นผู้หญิงโพติเป็นอีถีลิงโพเฉยๆเป็นปุงลิงทั้งโพและโพติเนี่ยเป็นอารัปปะนะเป็นคำอารัปปะนะถ้าเอาคำอารัปป ะ, ะขึ้นหน้ามันไม่เพราะ โดยปกติสัมมวนประโยคบาลีถ้าเป็นประโยคธรรมดาทั่วๆไปอาลปพณะจะเป็นศัพท์อยู่ในตำแหน่งที่สองของประโยคเนื่องถ้าประโยคสั้นๆเห็นไหมจะกิงนาโมแล้วก็พันเตตามในอารัพณะตำแหน่งที่สองเลยกิงนาโมพันเตกิงนาโมสีพันเตกิงนาโมสิโพกิงนามาสีโพติกิ่งนามาสีพัทเทกิ่งนามาสีโพติลบสละะที่อะสิก็เป็นกิงนาโมสิ กิณาโมไม่กิงนาโมบวกอาศิเพราะว่าคําว่านาโมเนี่ยนะนามัสส์ตานี้ไม่ใช่นิบาตนามัสสาตานี้เป็นนามนาโมนามานามังเป็นได้ทั้งสามลิงแล้วอยู่หน้ากิยาวามีก็เป็นก็เป็นวิกติการตาคําว่ากิงนาโมเป็นวิกติการตาคือตวังท่านกิงนาโมมีชื่อว่าอะไรอาศิย่อมเป็นย่อมมีพอผู้ชายพอติผู้หญิงย่อให้ดูว่าถ้าพูดสั้นๆว่าอย่างเนี้ย ไม่ต้องตะวังไม่โพติก็ได้กิ่งนามาสิเฉยๆก็ได้ถ้าแบบคือถ้าแบบกันเองกันเองแบบไม่ต้องให้เกียดเป็นพิธีกรรมมากเกินไปพอถามแล้วเหมือนกันรู้สึกว่าจะเป็นกันเองคุยกันธรรมดาธรรมดาก็สั้นๆกิงนามาสิากิงนามาสิแต่บางกิงนามาสิถ้าถือตีสนิทเกินไปพูดกับผู้ใหญ่กว่าเขาไม่เหมาะใช่ไหม <Yeah. S 1> เห็นผู้ใหญ่มากิ่งนาโมสิพันเตกิงนาโมสิโพ ถ้าเห็นผู้หญิงพอสูงอายุมาหน่อยเลยกิงนามาซีโพติแล้วก็ให้เกียรตินะให้เกียรติไม่ต้องไปกิงนามาซีอย่างนี้อะไรวะยังกับเพื่อนกันพูดอะไรกิงนามาซีโพเขาเขาถามไหนะเขาไม่ถามเดยระวังแล้วไม่ต้องอาหางไม่ต้องอาหางเลยแล้วก็ตอบชื่อไปนามะเลยไม่ต้องอําหิ่ไม่ต้องอําหะก็ได้บอกนามะตามหลังนี่บอกชื่อแล้วตามหลังได้นามะชื่อไทยบาลีได้ทั้งหมด แต่ถ้าชื่อไทยก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าชื่อบรีให้ใส่บีพัท ด, ด้วยถ้าผู้ชายอย่างทาพนันทะก็ต้องทาพนันโทนามะแค่นี้พอถ้าผู้หญิงก็เป็นอาเป็นอ e, ีอยู่แล้วก็ลบสีวิพัทต์ไปเลยอย่างชื่อศรีโสภาก็ศรีโสภานามะพันเตเนี่ยจะเป็นเป็นพระหรือโยอมเรียกพระพันเตเป็นคําเรียกพระอาวุโสก็เป็นคําเรียกพระ แต่พระผู้ใหญ่เรียกพระผู้น้อยหรือพระผู้ใหญ่เรียกศรัทธาญาติโยมทั่วไปก็ได้แต่ว่าถ้าโยมกับโยมคุยกันมักไม่ใช้พันเตอาวุโสนามะถ้านามะเนี่ยเป็นนิบาศทนาโม О, นามานามังเนี่ยเป็นนามถ้าเป็นนาโม О, นามานามังเนี่ยเขาจะใช้กรณีที่มันเป็นวิคติกตาก็คือต้องมีวิพัตเดียวกันกับประธานและกิริยามีมีบุรุษวจะนะตรงกัน เป็นคําให้เกียรติเรียกโพไอ้น้องก็โพท่านพี่ก็โพบาลีเป็นอย่นี้โพแปลว่าท่านผู้เจริญบางคนบางคนก็เจริญคุณบางคนก็เจริญวัยแล้วเห็นว่าเขาวัยน้อยกว่าเราแต่ว่าคุณความดีเขาปรากฏกว่าแล้วก็ใช้ว่าโพเป็นคําคําเรียกผู้ชายผู้ชายหรือผู้หญิงจะเรียกกระช่างก็คือเรียกผู้ชายทีนี้ประโยคบาลีจะแต่งจากไอจะต่างจากประโยคภาษาอังกฤษ สังกฤษสัมมวนเขาคือบอกชื่อตัวเองก่อนแล้วก็ถามชื่อเขาแต่บาลีไม่ใช่บาลีถามชื่อเขาคนถูกถามจะบอกชื่อก่อนแล้วค่อยถามคืนของบาลีแก้คําถามแล้วค่อยถามคืนจะขึ้นต้นด้วยคําถามส่วนสัมมวนอังกฤษไม่ใช่สัมมวนอังกฤษ จ, จะเริ่มต้นจากแนะนําตัวเองแล้วค่อยถามเขาสัมมวนภ า, นนาษาอังกฤษ and you ภาษาไทยไอ้ภาษาบาลีก็มีตะวังประนะ ปนะส่วนตะวังท่านส่วนท่านละ่ะถามคืนถามสั้นๆเลยตะวังปะนะอา จ, จะไม่แนะนําตัวอื่นก่อนจะถามชื่อคนอื่นก่อนปกติเวลาถามชื่อเนี่ยมักก็จะถามถึงโคตถ้าเป็นบาลีถ้ากิงนาโมสิถ้าถามโคตเนี่ยต้องตามด้วยว่าโคดเตนะด้วยโดยโคตท่านชื่ออะไรต้องถามเลยโคดเตนะกิงนาโมสิ นั่นหมายถึงคำถามถึงนามสกุลถ้ากิงนามโมสิที่เฉยถามถึงชื่อถ้าโคตเตนะกิงนามโมสิต้องบอกทั้งชื่อทั้งโคดถามถึงโคดมันก็คือด่าถึงโคตถึงเง่า <c oughs> <c oughs> ถามบอกโคตแล้วก็จะรู้ว่าลูกใครหลานใครภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนอัตมาถามทีเนี้ยถามทั้งหมดในห้องเนี้ยถามคําถามเดียวฟังนะจะถามนะ ถามว่าตุมมเหนี่ถามได้ตุมเห น, นะตุมมเหกาหนติหรือไม่ก็ถามว่าเกก็ได้เดี๋ยวจะหาว่าถามว่าท่านเป็นเกหรือเดี๋ยวก็ไหวตุมมเหเกหอนติพวกท่านเป็นใครกันบ้างถามอย่างนี้หมายถึงว่าถามว่าพวกท่านเป็นใคร ถามบอกท่านเป็นใครไม่ได้ถามชื่อนี่เนะไม่ได้ถามว่าชื่ออะไรถามบอกท่านเป็นใครเราก็บอกทีเดียวเลยว่ามะยังศิษยาโหมะหรืออำนหะพวกเราเป็นนักเรียนเป็นลูกศิษย์แล้วก็ถามคืนมาได้ละตวังปนะแล้วท่านล่ะเป็นใครตมาก็จะตอบได้อาจารยโยเป็นอาจารย์มายังศิษยา ต้องตามด้วยพระวามะโหมะอัมหะอัสมะอยา่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยในตารางเนี่ยในหน้าหกเนี่ยถ้าจะใส่กิริยาอะไรใส่ถูกก็ดูตารางหน้าหกมายังคู่กับอะไรก็ใส่ตามนั้นอนะกิริยาหน้าหกเห็นไหมข้างล่างเลขสองข้างล่างข้อสองใส่พระวามะโหม ะ, ะหรืออัมหะหรืออัสมะก็ะได้คําว่าอัมหะอัสมะเนี่ยมาจากธาตุเดียวกันต่อไปนะดูข้อ ข้อเจข้อเจมายังอาวุโสสมนานามะอัมหะเอาดูดูมายังอาวุโสอาวุโสผู้มีอายุมายังเราทั้งหลายสมนานามะชื่อว่าสมณะอัมหะก็แปลว่าย่อมมีย่อมเป็นแปลงรวบว่าสมนานามะอัมหะมีชื่อว่าสมณะ ท่านชื่อว่าอะไรบ้างพอข้าพเจ้ารวมกันทั้งหมดเนี่ยก็ได้ชื่อว่าสมณะเหมือนกันเลยแต่ถ้าแต่ละคนก็หลายชื่อแต่ว่ารวมกันแล้วชื่อเดียวค่ะสมณะก็เหมือนพวกเราเนี่ยพวกเราชื่ออะไรบ้างก็ชื่อศิษฐ์สาชื่อว่าศิษฐ์เหมือนกันชื่อเดียวกันหมดก็ชื่อชื่อว่าศิษฐ์สส่วนข้อแปดเป็นคําของท่านพระอนนท์เถงละไปทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้า แล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกด้วยคาถานี้แหละคาถานี้จันทนังตะข้างกลางวาปีอุปปลังอถวัตสิกีเอเตสังคันทชาตานังศีลคันโทอนุตังโรแปลศัพท์ไหนออกบ้างหาศัพท์ยากเหลอสับควรรู้เลอไม่มีเลยไม่ใช่ทพจันน่ะเป็นจันทงังอืมจันทนังเป็นชื่อไม้จัน จันทนังแปลว่าแก่นจันทและแก่นจันแดงเลยนะรัตตาจันทร์นะจันทนังเนี่ยแก่นจันท์เพราะว่าแก่นจันรแดงนี่หอมที่สุดตะข้างรังแปลว่ากิษนากิษนากิษนาไม้กิษนากิษน า, าที่มันหอมอะที่เขาเอามาสกัดเอ า, าน้ำมันหอมอะตุวันนี้เป็นไม้ต้องห้ามนําเข้าจากนุ่นอินเดียเนปาลพม่า ลักลอบเข้ามาถูกจับอยู่บ่อยๆครับตากรังในกีษนาไม้กีษนาไม้หอมก็เป็นไม้ต้องห้ามเป็นไม้เป็นไม้มันจะสูญพันธ์แล้วก็ห้ามตัดเดี๋ยวนี้เขามีปลูกแล้กองป่าไม้ปลูกที่ปากช่องที่ระยองที่ระยองมีสวนหนึ่งปลูกต้นกีษนาเอาไว้ตากะรังในแปลว่ากีษนา กฤษณาต่อไปอุปหลังวาปีนั้นแปลว่าและเ ล, ละนะวาปีวาปีว า, ปวาบวกอปิอุปหลังแปลว่าดอกบัวบัวอุบลดอกอุบลถ้าแปลทับศัพท์แต่อุปหลังนี่ใช้ดอกบัวที่มีกลิ่นหอมที่สุดรู้ไหมว่าอุปหลังเนี่ยแตกต่างจากดอกบัวชนิดอื่น อ, อุบลจำพวกที่มีกลิ่นหอมเนี่ยนะ ดอกบัวที่พิเศษที่สุดในวันนดีทางศาสนาเนี่ยมีดอกบัวชนิดหนึ่งจะบานเฉพาะวันแผ่นเดือนสิบสองเท่านั้นบานเมื่อไหร่บานเมื่อต้องแสงจันทร์ถ้าคืนวันนั้นมีเมฆสลัวแสงจันทร์ไม่กระทบปรีบบัวไม่บานเลยต่อไปวัซซิกีวัซซิกีมะลิวัซซิกีดอกมะลิ สี่อย่างหนึ่งแกงจันแดงสองปริษนาสามอุบลอุบลนี่อุบลอุลอลอลอลแดงอุบลเขียวมีนะสี่มะลิพืชสี่ชนิดนี้ชาวโลกเขาลือขนักหนาว่ามีกลิ่นหอมเมื่อพูดถึงว่ากลิ่นหอมถ้าเป็นพวกไม้ต้นต้องแก่นจันทร์หรือไม่ก็กริศนาถ้าเป็นจําพวกไม้ดอกต้องอุบลหรือไม่ก็มะลิ ถือว่เป็นไม้ดอกที่มีกลิ่นหอมมากพระอนนท์สงสัยว่าพระพุทธเจ้ามักจะพูดถึงอย่างนั้นหอมอย่างนี้หอมแล้วก็พูดถึงว่าธรรมะหอมศีลหอมเอไม้หอมชนิดต่างๆกับกลิ่นของศีลนเนี่ยอะไรหอมมากกว่ากันไปถามพระพุทธเจ้าพระอนนท์ก็ตรึกแล้วก็ตัดสินไม่ถูกว่าอะไรหอมกว่าอะไร ก็ไปทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเลตัสบอกท่านอนุนโนดยคาถานี้คาถานี้ศีลคันโทอนุตตัง โ, โรเนี่ยสีลคันโทกลิ่นของศีลกลิ่นของศีลอนุตตัง โ, โรประเสริฐสุดหรือว่าหอมที่สุดนั่นเองหอมหอมมากที่สุดหอมมากที่สุดนะคันทชาตานังกว่าคันทัชชาทั้งหลาย กลิ่นของศีลหอมกว่าคันธชาติทั้งหลายเอเตสังเหล่านี้คือเหล่านี้คือก็คือ 1. ตะจันธนังหนึ่งจันธนังแก่นจันส์ 2. ตะครังกิจศาสนา 3. อุปลังดอกบัวและสวัดสิกีมะลิพระนอนสงสัยอีกแหละ กลิ่นของศีลหอมกว่ากลิ่นเหล่านี้ได้ยังไงพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าอาอน o n แกนจันท์แกนกิษนาเกศรดอกบวัวหรือว่ากลีบมะลิที่ให้กลิ่นหอมมากขนาดไหนก็ตามจะหอมไปตามทางลมเท่านั้นส่วนกลิ่นของศีลนี้ไปทั้งตามลมและทวนลมกลิ่นของศีลเนี่ยหอมทวนลมก็ได้ แต่กลิ่นของพวกนั้นจะหอมมากขนาดไหนก็นหอมไปทางเดียวคือตามลมพัดไปไหนหอมไปที่นั่นแต่ศีลเนี่ยอยู่เหนือลมก็หอมไปถึงใครเคยได้กลิ่นหอมศีลบั้งอยากได้กลิ่นไหมกลิ่นศีลคาถานี้แปลว่ากลิ่นของศนะีลนะศีลคันโทกลิ่นของศีลอนุณตังโรหอมที่สุดคันทชาตานังกว่าคันทชาตทั้งหลาย กว่าสิ่งที่มีกลิ่นทั้งหลายนั่นเองคันทชาติแปลว่าสิ่งที่มีกลิ่นหอมทุกอย่างกว่าคันทชาติทั้งหลายเอเตสังเหล่านี้คือจันทนังแกนจันตะขั้งรังกฤิศนาวาปีและอุปพลังดอกบัวอาทะยังมีอีกวัดซีกีดอกมะลิ เนี่ยเรียบเรียงแล้วก็แปลตามนี้เลยกลิ่นของศีลหอมหอมกว่ากลิ่นของศีลหอมกว่าของมีกลิ่นหอมเหล่านี้คือหอมกว่าของหอมเหล่านี้คือเอาแป <c oughs> ลกลิ่นของศีลหอมกว่าของหอมเหล่านี้คือแกนจันกีสนาดอกบัวและดอกมะลิ วาปิและอาะก็และถ้าใส่จะแล้วมันไม่ลงคาถาจะจระอย่างนี้นมันลงไม่ได้ก็เลยใส่วาปิมาแทนลองแปลดูสิตั้งแต่ประโยคข้อหนึ่งกพุทโธโหโติใครเสียทัตโถพุทโธโหติเจ้าชายเสียทัศน์เป็นพระพุทธเจ้า ทางร ก, กาสามเณรราหุนติเด็กไายทั้งหลายเป็นสามเณรตวังอาวุโสกิงนาโมอาสิผู้มีอายุท่านมีชื่ออย่างไรท่านมีชื่อว่าอะไรไม่ต้องพูดได้ผู้มีอายุถ้าเอาโศก็เอาวุโสไปเลยผู้มีอายุ อาหางพันเตพุทธังรักขีโตนามะอามหิท่านผู้จเจริญข้าพเจ้ามีชื่อว่าพุทธังรักขีตาตุมมัเหพันเตกิงนามาอาธาท่านผู้จเจริญพวกข้าพเจ้าไอ้พวกท่านไม่ใช่พวกข้าพเจ้าพวกท่า น, านไม่ต้องทั้งหลายแล้วถ้าพวกแล้วะ พวกท่านมีชื่อว่าอางไรมะยังอาวุโสสมนานามะอัมหะผู้มีอายุพวกข้าพเจ้ามีชื่อว่าสมณะจันทนางตะขัางรังวาปิอุปลังอาถาว ส, สิกีเอเตสังคันทะชาตานาง ศีละคันโท อ, อนุ ต, ตังโรปิ่นของศีลหอมกว่าของหอมเหล่านี้คือแกนจันกิศนาดอกบัวและดอกมะลิอัฐก็และวาปีก็แล้วแล้วก็วาและเดียวไม่ต้องหลายละดูผ้าภาษาไทยเป็นภาษาบาลี แปลบาลีเป็นไทยได้ก็ต้องแปลไทยเป็นบาลีได้เขาเป็นอุบาสกเอาเขาถามว่าเป็นอุบาสกโสอ่าใส่กิริยาเป็นลงมาด้วยโสอุปาสกโหติโสอุปาสกโโหติอุปาอุปาบาไม่มี บาลีมีแต่ปปาข้อขอพวกท่านเป็นสิทธิ์ตุมเหนสิทธศโติหหรือโหนโพติอืมเป็นมอหูโพต์ต้องมหูพจต์ตามกันหมดเลยอืมต้องโหะโหะพวกท่านน่ะตุมเหก็ต้องโหะตุมไม่เหสิทธาโหีษะโหทโหะสิทธาษ สเสือหมดเลยภาษาบาลีมีสเสือตัวเดียว ส, ส, สอบอริสีสอสาลาอะไรไม่มีทางนั้นอ่ะสอเสือสามตัวเลยสิทสาสิทสาโหทะต่อไปขอ้ขอคอเราเป็นอาจารย์ข้าพเจ้าเป็นอาจารย์นั่นเองครับวันเราอาหารอ่ะอาหงอาหงต้องคู่กับมิโหมิอาหังอาจารย์ริโยโหมิโหมินะ ขอ้ขอคอเสถีนั้นเป็นผู้มีทรัพมากโซโซซเสถี น, น, นั้นเลยเสถีนะโสเศรษฐีมีทรัพมากมีทรัพมากเษถีเอาเขียนเศรษฐียังไม่ถูกต่อประทัดท้อฐานจเขียนตามภาษาไทยนะภาษาไทยก็ <mm> ลแบบซซต่อประตาทศฐานมหาทโนมหาทโนมหาทโนแล้วก็ซ้อนททหารเป็นมหาทโนก็คือมหาธโนในเองมหาก็มากทานโนก็มีทรัพย์มหัามหัาโหติสีโสอ่ะโสคู่กับติอยู่แล้วโสเศรษฐี มหธาธนโอโหติไม่ซ้อนก็นได้ครับไม่ซ้อนก็นมีใช้มหาธนโอไงทำไม่ซ้อนไม่ซ้อนก็นมหาธนโอเอาดูต่อไปข้องอนักเรียนทั้งหลายเป็นผู้มีใจดีนักเรียนทั้งหลายศึกษาเป็นผู้มีใจดีสุมโ น, มโนถ้าศึกษาทําไมเป็นสุมโนสุมานา สุมาคิยาอะไรเอาสิทสาไปโหทะได้ยังไงอ่ะอ๋อโหนติสิทธสาสุมนาโหนติมีใจดีนอกจากจะเป็นสุมนาแล้วเนี่ยยังเป็นโสหัตชาด้วยนะโสหัตชาใช้คําว่าสิทสาโสหัตชาโหนติอย่างนี้ก็ได้สุมนาก็ได้โสหัตชาก็ได้ โสหัตชาตัวนี้เป็นไล่ทั้งสามลิงโสหัตโชโสหัตชาโสหัตชังได้แนะ้วโสหัตชาเป็นปุงลิงฝ่ายอิทธิฝ่ายพระหูพ์โยเป็นอาโสหัตชา